เห็นาร์มพร้อมเพียงของชาวทีโอทีเราก็น่าปลื้มใจนะเมื่อเห็นฟารมพร้อมเพียงอย่างนี้แล้วน่าจะมีมันน่าจะมีกิจกรรมทุกวันคือเรานิมนพระได้มาเดือนละสองครั้งใช่ไหมแต่เราก็สามารถที่ทำกิจกรรมในทางพุทธศาสนาได้ทุกวันโดยเฉพาะการสวดมนต์ทวัด คำว่าทําวัดคือการทําบิณฑบาตพวกเราก็กําหนดเลยโอ้โหเนี่ยมามาหน้าหลายตากันเลยเพื่อฟัมเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราเริ่มเช้าขึ้นมาด้วยด้วยบุญด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราเริ่มต้นจากการสวดบนไหว้พระทําวัดเช้าจากนั้นเราก็มานั่งภาวนากันสักคู่นึงก่อนที่เราจะไปปฏิบัติงานทํางานทําหน้าที่ของเราใช่ว่าเรากําหนดเลยเอาเจ็ดโงครึ่งแบบเนี้ย เช่ไหละเจ็ดมงครึก็น่าจะเป็นเวลาพอประมาณเราก็พากันมาพร้อมกันในนี้พอถึงเวลาเจ็ดมงครึปุ๊บแม้นคนเดียวเราก็สวดบนไหว้พระกันมาสวดบนไหว้พระทําวัดเช้ามันก็สวดบนญทำวัดเช้าก็ประมาณสักสิบห้านาทีเสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาสักอีกสิบห้านาทีก็เลิกกันไปปฏิบัติงานทํางานทําห น, น้ท า, นาที่ก็ใช้เวลาครึ่งชัวงช่วโมงเช้ามาเนี่ย เมื่อเริ่มต้นอยู่วันใหม่ด้วยตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มในจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของพวกเร า, เเานนเเรวั น, วรรร น, น, น, วนทั้งวันเราจะเจอแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างแน่นอนเลยพอเริ่มต้นของวันใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลจากนั้นวันทั้งวันเราจะเจอแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลก็จะนําความสุขนาํขนาความเจริญมาสู่พวกเราเองเมื่อสู่พวกเราแล้วความสุขความเจริญมาสู่พวกเรามันก็เป็นเหตุให้นําพา ทีโอทีของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านั่นเองมันจะไปด้วยกันนั้นแหละถ้าทีโอทีมีความเจริญก้าวหน้าพวกเราก็มีความเจริญก้าวหน้าพวกเรามีความเจริญก้าวหน้าทีโอทก็มีความเจริญก้าวหน้ามันจะแยกกันไม่ออกหรอเมื่อพวกเราอยู่อยู่ด้วยกันมันก็นำพากันไปแบบนี้แหละเนี่ยถ้าพวกเราทาอย่างนี้นะคิดว่าทาได้กันทุกวันทาได้ทุกวันอย่างแน่นอน แล้วพอเวลามีมีเวลาเป็นกรณีพิเศษจชงหวันนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแบบนี้เราก็เป็นกรณีพิเศษไปใช่ไหมละ่ะเออมีการใส่บาตรมีการถวายพระตาหารมีการเออแล้วก็เที่ยงก็มามีการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษมันน่าจะทำกันได้นะเอได้ไหมไไไน่าเน้นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เอาเลยนะนี่พอเจ็ดงครึ่งเป่ง เราสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้ากันใช่ไหมเออมนต์นทำวัดเช้ากันเออวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ว่ากันเออทำวันเริ่มวันจันทร์เริ่มวันจันทรนน์ถึงวันศุกร์เช้ามาเจ็ดโมงครึ่งบอกบอกข่าวสารกันชักชวนกันมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จ แ, แล้วเราก็นั่งภาวนากันสักครึ่งชั่วโมงเอ้ยสักสิบห้านาทีรวมเวลาและแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปปฏิบัติงานด้วยจิตใจที่เบิกบานที่ผ่องใส ชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าอยู่ที่จิตนอกออกจากจิตแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ร่างกายของพวกเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างเก่งก็ไม่เคยร้อยปีจากนั้นเราก็จะจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างหนึ่งมามือเป่าก็ไปมือเป่าเราเพียงแค่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ชั่วระยะสั้นๆอย่างเก่งก็ไม่เคยร้อยปีเท่านั้นเอง เพรา ะ, ะนั้นจึงไม่มีใครจะที่จะแบกหามไปด้วยโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยไม่เคยขาดตุบกพองมาแต่ไหนแต่ไร ต, ตลอดอ น, นุตการเพราะไม่มีใครสามารถแบกหามโลกกอบกอยโลกนี้ไปได้เขามีแค่มาแค่มาอย่างเก่งมาเกี่ยวข้องรูกลูคําำแล้วก็จาไปแต่สิ่งที่เราจะไย ฟ, ฟ้าเราจะกอบโกยไปได้คือบุญกับบาปตอนนี้ถ้าหากเราโวยเอาบุญไปบุญนั้นก็จะส่งส่งชีวิตชีวิตของพวกเรา ให้ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญแม้นเปลี่ยนภพชาติก็จะไปพบที่ดีคติทิ้งน้ำตลอดไปแต่ถ้าเราโกยเอาบาปบาปนั้นจะกดถ่วงเราลงไปสู่ ส, สู่หายณนะสู่ความทุกข์ความความยากความความจมลงไปตลอดเวลาแม้นเปลี่ยนภพชาติก็เป็นทุกขติโลกนรกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะโกยไปเราเห็นแล้วว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่กดถ่วงบุญนั้นเป็นสิ่งที่ยก จะยกชูมาเราก็พากันโกยบุญไปตอนนี้จะกวเราจะกโกยบุญไปได้ยังไงล่ะมันก็ต้องตั้งหลักจิตหลักใจขึ้นมาให้ได้เริ่มตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยหลักจิตใจของเราก็จะค่อยๆมีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตใจของเรามีความหนักแน่นมั่นคงแม้เราจะเป็นปุถิชนคนมีกิเลกก็าตามแต่กิเลสจะไม่สามารถฉุดลากเราลงไปในฝ่ายต่ำอย่างแน่นอนแต่ถ้าจิตใจไม่มีหลัก ก็อาศัยความเป็นบุรุิชนที่กิเลสเป็นฝังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจมันจะชักจูงเราลงไปในทางต่ำเสมอ เราจะไม่มีไม่มีกำลังใจไม่มีหลักที่จะต่อต้านไอ้ความฝ่ายต่ํานั่นเลยเพราะฉะนั้นบุตรชนเราจึงไม่เคยมีโรงเรียนสอนความชั่วเลยไม่เคยมีการอบรมในในความชั่วในความเลวแต่ทําไมบุตรชนก็ยังมีความชนิชํานาญมีความเก่งในการทารําความชั่วเราก็เพราะจิตใจของเขาไม่มีหลักนั่นเองจึงไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนต่อต้านไอ้ความฝ่ายต่ํานั่นได้ เพราะนั้นเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้แล้วรีบเร่งพากันมาสร้างหลักใจนับตั้งแต่เริ่มต้นจากการสวดบนไหว้พระ แล้วก็นั่งภาวนาไปเล็กๆน้อยๆต่อไปจะก้าวขึ้นไปเรื่อ ย, อยๆขึ้นไปนั่นแหละเหมือนกับเด็กนักเรียนเมื่อเริ่มต้นจากการเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่ไปเรื่อย ๆ, ๆเขาก็สามารถเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยได้พวกเราเหมือนกันเราเริ่มจากการสวดมนไหว้พระนั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไปสักคู่หนึ่งต่อไปเราก็จะจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไปชำระจิตใจของเราได้ด้วยอัดด้วยธรรมนั่นเองอันนี้ข อ, ขอฝากไว้ทุกท่านทุกคนด้วยนะออก็หวัง เออเอาจากนี้ไปพากันตั้งใจรับพรแล้วเดี๋ยวจะได้ทานข้าวกันตั้งใจรับพรยะภ า, าวารีวาาปุราปาริปุเรนติซาคัง เอวะเมวอิโตทินางเตตานางอุปกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวัสมิฉตุสเพปูเรนตุสรังกบางจันโทปนรโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพิตยวิวัชันตุสัททาาาาาาสพโสพโลควินัสตุมาเตพัฒนรายโยสุขีที่คายุโกภวะ อะพิวาตนาเสโยริสานิจังวิทาปะจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัถกาทนาวัฏกาศิริวัถกายาสวัถกาภารวัถกาวัณนาวัถกาสุขวัถกาโหนตุสาปทาทุกขโรขพยาเวลาโซกาสตุจุปัถวา อเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเ ต, เตชาสันชัยาสิทธิธานางลาพังโสทีภาขยังสู่ข้างพลนังสิริอายุจวันโนจโพขคางวุธิจะยาสวา สตว์ซาจะอายุจะชีวิตทีพวันตุเตพวตุซาเปมาครังรักันตุซาเผเทวนาสัพพุท ธ, ธาโนภาเวนะสัพพธมาโนภาเวนะสัพพสังฆาโนภาเวนะสัทธโธทีพวันตุเตเอา้าวไปจัดอาหารทานงเด้อ อิ่มใจแล้วให้อิ่มท้องด้วยนะอา่าวอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเด้อ